ก็คือฟังเรื่องของตัวเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมก็คือมาใช่กายใช่ใจิตใจให้ไม่มีโทษไม่มีภัยใช่กายใช่ใจไม่ให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นนี่คือการ สอนการบอกการปฏิบัติธรรมทีนีก่อนที่จะใช้กายใช้จชิตใจไม่ให้เบียดเบียนตนไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องฝึกหัดการฝึกหัดก็คือเอาสติมาเป็นสารถีผู้ฝึกให้มีสติปในกายใ น, ในใจ ให้สติท่องเที่ยวอยู่กับกายกับใจกายใจก็จะลู้หน้าที่คนเราส่วนมากเน่ยใช่กายใช่ใจไม่เป็นหาความสุขหาความทุกข์เอากายเอาใจมาเป็นเครื่องถ้าให้เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อ กายใจทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์เรากายใจไปใช้กายให้ผิดประเภทเมื่อกายใจไปรับสุขรับทุกข์ก็สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับตนเองและคนอื่นได้บางทีจิตใจเนี่ยเอาไว้ให้เป็นความโกรธความโลภความหลง เรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ก็ไม่มากเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายก็ไม่มากถ้าเราใช่ไม่เป็นถ้าเราใช่มันเป็นก็ปัญหามันก็ไม่มีจิตใจนี่ไม่ต้องเป็นอะไ ร, ะไรกลับอะไรอะไร แม่มันจะมีมากเรื่องรลอยอย่างก็ไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรใจเนี่ยมันจึงจะมาสถานถ้ามันเป็นอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างความโลกความชองความโลภความโกรธความหลงความวิตกกังวลเศ้าหมองมันก็ไม่ได้มาสถานมันเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคง เป็นอนิจจังเป็นความที่พึ่งพาใส่ไม่ได้หลุดหลุดขาดโน่นติดนี่ตัวโน่นตัวนี่ไม่มัน่นคงถ้าเราฝึกดีๆแล้วจิตใจนี่มันจะมัน่นคงแต่มันไม่เป็นอะไรกับอะไร อันละความมั่นคงการอยู่เหนือโลกความสุขความทุกข์มันอยู่ในโลกความรักความชังความเบื่อตกความโกรความเศร้าหมองความยินดีความยินไล่มันอยู่กับโลกเพราะโลกก็มีรสชาติจิตใจมันก็ติดรสของโลกกายมันก็ติดรสของโลกส่วนกายก็ไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าใจมันไม่ติด แต่มันก็ร่วมมือกันตอดนี้เรามาหัดฝึกหัดให้ฝึกหัดกายฝึกหั ด, ดจิตใจ<ช>ให้มันใช่การใช้งานแล้วความชั่วทำความดีทำกิจให้บริสุทธิ์แต่แล้วความชั่วทำความดีแล้วยังไม่พอใครก็ทำได้ แต่จุดหมายปลายทางสูงสุดคือทํากิตให้บริสุทธิ์นี่เราก็พูดได้เราก็สอนได้แต่ว่าการที่จะละความชั่วทำความดีทํากิจให้บริสุทธิ์มันไม่ใช่คําพูดมันเป็นการกระทามีการเจริญสติไม่ใช่กระทาอย่างอื่นการเจริญสติก็ไม่ต้องบอกก็ได้ละความชั่วทำความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ถ้าเรามีสติแล้วเนะี่ยมันก็ไปสู่จุดหมายปลายทางดังที่เกิดเรื่องที่พูดหลายครั้งหลายหนว่าการมีสติมันก็ลิความชั่วมันก็ทําความดีมันก็จิตบริสุทธิ์อันนี้ไม่ต้องบอกต้องสอนคนอื่นบอกก็ได้เรื่องอย่างนี้แต่บอกได้ก็เป็นภาษาสมมุติมันก็ทําไม่ได้ มันก็เป็นความรู้มันก็เป็นความรู้มันก็รู้กันทุกคนคำสอนของพระพุทธเจ้าเียว่าโอวาทปฏิโมกเป็นจุดรวมเป็นเป็นสิ่งที่รวมลงรวมลงเอารวมเข้ามาใกล้ๆเอามารวมกัน เราก็เร so um um so ียนเราก็รู้เหมือนกันก็ไปอวดกันศาสนาไหนศาสดาใดก็สอนให้เราความชั่วทำความดีแต่ว่าศาสดาศาสนาของพระพุทธเจ้าสูงเข้าไปขมูวคือทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้บริสุทธิ์การทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยบางทีเขาก็มาศึกษาพวก ศาสนาอื่นเขาไม่มีเขาไม่มีหลักสูตรเขาก็มาศึกษาตามหลักภาวนาตามหลักกรรมฐานการทำจิตให้บริสุทธิ์เขาก็มาฝึกหัดใคยๆ่ายเขามาเขามาต่อยอดต่อยอดของเขามาก็ง่ายขึ้นอาการแล้วความชั่วการทาความดีก็ทำกันได้ทุกคนแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ ความดีที่ทำก็ไม่มั่นคงบางทีก็เป็นทุกข์ด้วยทําความดีก็เป็นทุกข์ก็มีบางทีอาจจะทําความชั่วเป็นสุขด้วยเป็นอาชีพมันไม่มั่นคงถ้าไม่ถึงจิตบริสุทธิ์แต่จิตมันบริสุทธิ์นะมั่นคงจิตบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร ก็เลยใช้ภาษาพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นสติจะเป็นํำนองนั่นมันเห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นนั่นะกิจบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนั้นแต่มันสุขเห็นมันสุขนั่นบริสุทธิ์ไม่เป็นผู้สุขแต่มันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่เป็นคุณค่าของสติที่มีอยู่ในกายในจิตใจ ไม่ใช่ความรู้เนาะเป็นฝีมือของสติเป็นฝีมือของสติเป็ น, ปนคุณภาพของผู้ที่มีสติมันก็ทำให้บริสุทธิ์มันก็ทำให้ไม่เปิดเปื้อนมันก็ไปเป็นคู่ขนานกันไปทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งทำได้ถ้ารู้ มันก็เป็นความรู้ที่ทำได้ความรู้อนไดที่ทำไม่ได้นะมันไม่ใช่ความรู้แบบพุท ธ, ธะไม่ใช่ตัวปัญญาตัวปัญญาพุท ธ, ธะรู้แล้วต้องทำได้รู้เห็นพบเห็นเห็นทุกข์มทุกข์เห็นโ ก, กรธมรุกข์ถึงนห็นะไรมันกละอันนั้นมันไม่เป็นอะไร นั่นก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เรามาเรียนตรงนี้เรามาทำตรงนี้ไม่ใช่เรียนรู้มาประกอบมาสัมผัสนะถ้ามีสติตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วเห็นกายเรื่องของกายนี่ก็มีหลายอยา่างมีแต่เห็น แต่ก่อนกายนี่เอาเป็นตัวเป็นตนพอเห็นกายสติเข้าไปเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงนี้กายมันก็เป็นธรรมชาติอยู่ตัวตนจริงๆเขาคือตัวอวิชชาสำคัญมันหมายผิดไม่ว่าตนความร้อนก็คือตนความหนาวก็คือตนอันที่มันเกิดขึ้นกับกายความหิวก็คือตน มันเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่ตนอ่าสติมันเริ่มต้นมันมันทำให้เกิดเป็นรูปเป็นล่างแปลเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเพื่อใช้งานใช้การเหมือนต้มไม้อยู่ในป่าเดยวมาใช่เป็นบ้านเป็นเรือนต้องแปลแปลรูปให้มันใช้ได้ตามลักษณะของมันม่เห็นกาย มันแปลแรลูปเพื่อเอามาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้มันเห็นมันไม่ใช่เป็นอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นตัวที่มอบให้มอบให้กายมไม่ใช่สัตว์บุกล<น>แค่นั่นเองเหมือนต้นเสาต้นต้นเส า, าอยู่ข้างหน้าพวกเรามันไม่ใช่ตัวใช่ตนของมันมันมันเป็นอยู่แค่เพียงต้นเสา มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดมันก็แค่นั้นกายมันก็หยุดแค่นั้นสักว่าแล้วสักแต่ว่ากายแลมันไม่เป็นอะไรถ้าสติเห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นอะไรไปหลายอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรมากมายให้กายมันทาหน้าที่เพี้ยนไปเป็นตัวเป็นตนเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นอะไรต่างๆบบ เพราะเราเกี่ยวข้องกับกายไม่ถูกไปติดเหล้าไปติดบุรีไปติดรสชาติอะไรต่างๆเราก็ขวนขวยให้มันพอกคูนให้กายไ ป, ไปนันก็เรื่องมันก็มากเมื่อใช้กายไม่เป็นมันก็เป็นผลกระทบต่อกิ่ต่อใจต่อเราก็ามมีสติเนะนี่ยมันก็ เป็นดุลเท่าเตียเป็นกายสภาวกายไม่ใช่สัตว์บุกคนตัวตนเราเขาพอสติเห็นแล้วมันคุมคุมหน้าที่ให้สำเร็จแค่นี้สาเร็จอยู่แค่กายเหมือนพ่วงเหมือนแพรเธอขับขี่ไม่ใช่ออกมาแบกถ้าเราเอามาแบกต้องก็ไม่ใช่เรือไม่ใช่รถ ใช่เพื่อทำงานทําการทําความดีให้สําเร็จละความชั่วให้สําเร็จเห็นหลวงพ่อเทียดปอกตัวท่านว่าพอเห็นกายหรือเห็นความทุกข์แต่ก่อนท่านกติบุรีท่านก็บอกว่าเอาบุรีมาเข้าปาก กายดูสิมันเข้าได้ไหมเอาสองบุหรีวางไว้กับไม่ขีดบุหรีมันก็ไม่เข้ามาปากเขาบอกว่าเอากูจะเอายาดให้มันเข้ามาปากบุรีก็ยังบอกว่าเข้าไม่ได้ถ้าไม่เอากายมาจับเอากูจะเอากายไปจับเข้าปากเอาสองบุหรีเข้าปากมันก็บอกว่า มันก็สู่ไปได้ถ้าไม่จุดไฟให้พอมาถึงตรงไหนไอ้ซาดผาด่าตัวเองไอ้ซาดผาเมืองโง่มาทาอย่า ง, า น, ง, าางนี้ก็เห็นถ้าเห็นถ้าเห็นจริงๆริงมันมันก็ช่วยก่ายแต่ก่อนมันก็ช่วยกันไม่เป็นนีแตลุ่มเขา้ามีความเห็นผิด มีทิฏฐิเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายหลายอย่างตัวพอ ม, มีสติแล้วเนี่ยรู้สึกกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุคคลตัวตนโลขาแค่นั่นเองโอ้เอากายมาทำความดีเอามาสร้างสติสำเร็จยกมือเคลือดไว้ไปมาไปทำงานทำการไปช่วยคน จะช่ว ย, วยตั ว, ตวเองเอากายมาช่วยกายมาดูแลกายเอามาใช่ให้มันกินข้าวใชยให้มันขับปันถ่ายใช่ให้มันหลับมันนอนใช่ให้มันแปรงฟันล่างหน้าอาบน้ำเราใช้กายเพื่อทำความดีช่วยกายแล้วไม่พอก็ช่วยคนอื่นได้สร้างกติสร้างศาลา สร้างถนนทางเอากําลังจากกายผูกต้นไม้เออนี่ยเรียกว่าชอบใช่กายได้สําเร็จแต่ใช่กายไปกินเหล้าไปสซบุรีมันไม่มันไม่ได้ช่วยกายให้เกิดประโยชน์มันมีแต่มีโทษเห็นเดี๋ยวนี้เห็นกายแล้วตอนเห็นกายเราประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะ ก, กาย มากมายเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนไปยกมือสร้างเจ่าว่าสอนคนไปเดินจงกมสอนคนสอนผู้อื่นเราก็มีกายเราก็มีมือกายนี่เอาไปสั่งไปสอนไปเป็นครูบาอาจารย์อยากไปทำความช่วเลยโอ้ยมากมายพอเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาหมดนี่ก็เหมือนกันไม่มีตนมันก็เห็นเขา จุดแค่นั้นเวทนาจบลงแค่นั้นไม่มีตัวไม่ตนหยุดลงแค่นั้นจริงๆคุมได้ควบคุมได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายควบคุมได้สิ่งที่จะมันจะเป็นโทษเป็นภัยควบคุมได้เปรียบเหมือนเราจุดไฟเราควบคุมไฟได้ เราขับรถเราควบคุมรถได้สิ่งไหนที่ควบคุมได้อันนั่นเลยว่าความชอบเรามีประตูบ้านเปิดได้เรามีประตูบ้านปิดไ ด, เ ด, ได้เรามีหน้าต่างเปิดได้เรามีหน้าต่างปิดได้เรามีอะไรที่มันใช่ได้มันจึงเกลีชอบ ก็มันใช่ไม่ได้มันไม่ชอบเห็นเวทนาก็เป็นปัญญานมันก็ไปทำนองนี้การปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากเป็นประโยชน์ทันทีเลยทีอเดียวตัวรู้สึกตัวก็เป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์แล้วเป็นทางดำเนินของชีวิตเรา แต่ก่อนนี่เราปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายหลายอย่างพอมาเห็นทิศเห็นทางเข้าไปศึกษาไปดูไปแหลมันก็บอกเราเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันบอกเรารูปนามมันก็แค่รูปแค่นามสิ่งที่ตั้งอยู่บนรูปบนนาม มันเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็เลือกเป็นเลือกเอารูปนามไปใช่ไม่ใช่ให้รูปให้นามมันใช่เราความปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกนามมันก็ค่อยหมดไปมีแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นกับรูปกนาม กับกายกับจิตใจเราให้มันจบซะให้มันหมดไปซะแต่ก่อนเนี่ยกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขกายก็มีความทุกข์ใจก็มีความทุกข์อะไรต่างๆพอมาเห็นแล้วมันไม่ใช่กายให้เกิดสุขไม่ใช่กายให้เกิดทุกข์มันไม่ใช่ใจให้เกิดสุขมันไม่ได้ใช่ใจให้เกิดทุกข์ มันเป็นเฉพาะมันเป็นขอ ง, ของเขาที่เขา อ, อยู่ในการบริสุทธิ์มันเป็นของเดิมๆของเขาแต่คนมันเดิมจริงๆแต่ว่าเราใช่ไม่เป็นมันก็เปอะเพื่อนมันไม่ใช่ของเดิมเมื่อมันไม่ใช่ของเดิมมันก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นของเดิม ถ้าเห็นกายก็เป็นสุขเป็นทุกข์ทันทีเมื Legend, damned, ่อมันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ขวนขวอยลักสุขเกียรติทุกข์ก็เห็นเกียตัวมันก็ขวนขวยมันก็ผิดมันก็ผิดต่างคนต่างมีสุขมีทุกข์อยู่กับกายกับใจเมื่อมีสุกมีทุกข์อยู่กับกายกับใจแม้คนลีลีของขวงกระทบกระทือนหลายอย่าง พอมาเห็นกายเป็นกายเห็นเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามจริงที่เกิดขึ้นกับรูปคำนามนั้นแบบยังไงสิไหนไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับรูปคำนามล้วก็ช่วยกันก็ช่วยกันระหว่างรูปกับนามบางทีรูปนามกายกับใจมันเบียดเบียนกันกายกับใจถ้าว่าปัสา ภาษาดุนดุนกายกับใจมันเบียดเปลี่ยนกันไม่มีความเป็นธรรมพอลองมาดูมาเลยเป็นกลางความเ<ไ>ป็นสติมันเป็นกลางเข้าไปเป็นกลางไปเห็นเขา้าก็เกิดความเป็นธรรมต่อกันกลายเป็นพลังพลังสองพลังของกายพลังของกิจใจร่วมกัน เอาไปมาก็เป็นตัวลู่ตัวเดียวตัวลู่ตัวเดียวทังกายทั้งใจมารวมกันเป็นตัวลู่สึกตัวตัวเดียวตัวลู่สึกตัวเป็นตัวกายด้วยตัวลู่สึกตัวเป็นตัวใจด้วยตัวลู่สึกตัวเป็นตัวลู่ตัวลู่สึกตัวเป็นตัวน้ําด้วยนันก็เป็นพลังพลังร่วมพลังสมังคีพลังสมังคีเนี่ย ก็ง่ายแล้วไปแนะต่ว่าละวความชั่วทํากรรมดีก็ง่ายแล้วไปะนะทำชีตให้บริสุทธิ์ก็ง่ายแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วดูไปดูมามันก็เป็นอันเดียวกั <c oughs> นก็ลังร่วมเป็นตัวรู้คือคอยคือจิตจะไปสอนอะไรไปะนะจะไปมีอะไรมันก็มีอันเดียวกันอย่างนั้น แล้วภาษาพูดต้องก็มีมากนะ้อหลวงปู่เทียนเขาบอกว่าเอากิตตูกิตเอาสติตูกิตเอากิตตูสติมันก็อันเดียวกันตรงนี้มันก็ขมวดลงมาเป็นภาชนะเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสาวกพวกเราสาวก เหมือนอ้อยเหมือนช่างกินอ้อยม้วนลกง่ายๆปัญหาต่างๆม้วนลงง่ายๆมันไม่ยากน่ถ้าเราทำถูกไม่มีอะไรง่ายเท่ากับฝึกหัดกายฝึกหัดใจมีสติทำให้ง่ายการมีสติ การฝึกสติไปในกายในจิตเป็นความง่ายกว่าความหลงถ้าเราดูดีๆนะเป็นความง่ายมากความหลงไม่ง่ายนะความโกรธความทุกข์ความลอะความชังความวิตกควงวลที่มันเป็นเป็นไปต่างๆมันมันไม่ง่ายมันเป็นภาระแต่ความรู้สึกตัวไปในกายในจิตเนี่ย ง่ายง่ายอย่าไปตั้งความยากอย่าไปเอาอย่าไปเป็นจะเอาให้ได้จะทำให้ได้มันผิดมันถูกมันหลงมันไม่หลงมันรู้เนี่ยไม่ต้องไปตั้งโจดตั้งโจดให้กับตัวเองตั้งการบ้านให้กับตัวเองเหตุไร <c oughs> จะทําได้จะทําไม่ได้มันเป็นโจทย์ของเราทําให้พลังอ่อนแอนอางที่จะเอาให้ได้มันเป็นโจทย์ดบางทังทีไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเลยการปฏิบัติทำ ม, มีแต่เข้าไปสัมผัสเราถ้าเราตั้งตั้งโจทย์ให้เรามากมายจะต้องแก้โจดเมื่อเราเป็นจําเลยของชีวิตเราเอง เงินจำเลยที่ถูกโจดพ้องต้องไปแก้ต่างต้องไปแก้ต่างต้องมีเหตุมีผลต้องเอาให้ได้หาเหตุหาผลมาสู้กันบางทีก็แพ้ชนะอยู่นั่นเองการชนะการแพ้ที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แพ้แล้ว ไม่ทำอะไรก็ได้แล้วจต่ว่าหาคำตอบจากความคิดหาคำตอบจากเหตุจากผลกรรมฐานเนี่ยไม่ได้หาคำตอบจากความคิดไม่ได้หาคำตอบจากเหตุจากผลหาคำตอบจากการพบเหตุความพบเิดุมันจะตอบไปเองถ้ามีสติเห็น ไม่มีอะไรที่จะเป็นเท็จถ้าสติเห็นถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เก่งๆเออเป็นสุขก็เป็นสุขเก่งๆถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นความไม่สุขไม่ทุกข์เก่งๆเลือกได้หวือนปล่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงความไม่สุขความไม่ทุกข์เป็นยังไง ความโกรธความโลภเป็นยังไงความไม่โกรธความไม่โลภเป็นยังไงความรักความชังเป็นยังไงความไม่รักความไม่ชังเป็นยังไงจับตูสัมผัสดูก็เลือกตายเบาวิ้วล่ถ้าไม่เป็นอะไรเกับอะไรเนี่ยเบาถ้าเป็นอะไรทุกอย่างก็หนักเห็นมันสุขเบาแล้วเห็นมันทุกข์เบาแล้ว เห็นมันอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกายกับใจเนี่ยความเบามันไม่อยู่เรียว่ากายแล้วหูตาหุละหูตาไปว่าเบาขะลุแตะวันหนักขะลูพันละหูพันขาลุไปว่าหนักละหูไปว่าเบาเราเลือกเตยไปเลือกเอาเบาเบาเลือกเอาไม่เป็นอะไรเราะว่าที่ไม่เป็นอะไรมันเบ า, เบา ลองคช้ชีวิตให้มันเห็นชัดเจนแบบนี้พบเห็นสัมผัสได้ด้วยตัวเองภาวะที่รู้สึกตัวภาวะที่รู้สึกตัวนะท่องไปเที่ยวไปในกายในชีวิตเราไปในกายไปในชีวิตของเราจนเป็นทางทางของสติที่เดินไปในกายใน ใ, นใจเรียบ ไม่ครุกคลาไม่เหมือนอารมณ์ไม่เหมือนอาการต่างๆแต่ว่าความรู้สึกตัวนี่ปราบลงเป็นลอยไปนะมันลอยไปเห็นเห็นที่เวลานี่มันหนาวความหนาวเนี่เป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเห็นมันหนาวเป็นทุกข์ไหเห็นมันหนาว ขัวตายไหมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่มีคำพูดเห็นมันหนาวเห็นของกิงความหนาวเป็นของกิงแต่มันกิงแบบนั้นแต่ภาวะที่เห็นมันหนาวนี่กิงกว่าริงกว่าภาวะที่เห็นความหนาวภาวะที่เห็นความร้อนภาวะที่เห็นความหิวภาวะที่เห็นความเจ็บปวดเมื่อยล้าอันนี้กิงกว่า ตรงนี้เรียว่าศึกษาเข้าถึงเข้าถึงจุดหมายปลายทางถ้าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นมันหนาวเป็นผู้หนาวยังไม่จริงประเภทนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเห็นมันหนาวถ้าเห็นมันหนาวก็ ม, นนวมีปัญญาแล้วปัญญาอะไรปัญญ า, ญญาไม่ทุก ปัญญาที่เป็นปัญญาพุทธต้องไม่ทุกข์ต้องไม่หลงต้องไม่สุข <c oughs> เห็น <c oughs> มันร้อนก็เหมือนกันมันหิวก็เหมือนกันมันโกรธมันโลภมันหลงมันเกิดชีเลตตันหาละคะเหมือนกันหมดนะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยจุดหมายปลายทางของการศึกษาจบแล้วถ้าเป็นเรายังไม่จบการศึกษาต้องจบสิ้นสุด มือนคดีที่มันสินสส้นสุดประกาศสิ้นสุดคดีไม่ปิดแล้วอย่าเอามาลื้อถอนประกาศปิดแล้วเอามาเอามาว่าอีกไม่ได้สิ้นสุดความหลงถ้าเห็นอะไรสิ้นสุดแล้วความโกรธเท่มความโกรธแล้วสิ้นสุดแล้วมันจบแล้วแต่มันจะโกรธมันไม่จบเป็น ความโกรธอย่างเดียวต่อไปอีกมากมายหลายอย่างความสุข ก, ก็ต่อไปอีกความทุกข์ก็ต่อไปอีกความหลงก็ต่อไปอีกต่อไปเป็นไม่จบไม่สิน้นตลอดพบตลอดชาติเราจะเลือกอยังไงชีวิตเราจะต้องเป็นจำเลยของชีวิตอ ย, อย่างนั้น ทั้งทั้งที่มันก็ไม่มีตัวเมตนความโลภความโกรธความหลงเกลียดตัณหาเราคะความรักความชังนันเป็นโจทย์ชีวิตเราเราก็ตกเป็นจำเลยจำเลยชีวิตนี่ยจำเลยชีวิตเนี่เย เ, เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วเราก็ทำได้นะนจำเลยที่เป็นโทษตอนตื่นเขามันก็เป็นจำเลยอันนั้นมันปฏิเสธไม่ได้อันมีสมมูลปัญญัิสมมติปัญญัด ขึ้นมาเขาก็มีอำนาจตามสมมติปัญญาอำนาจสมมุติในโลกมันเต็มไปด้วยสมมุติเอามาให้มันเหลือเหนือซะพวกเราเลอยอยู่บนโลกน ะ, ะว่าแต่ศึกษาชีวิตของเรานะ้ออันดื่นมันก็จบไปด้วยนะไม่ใช่ว่ามันไม่จบ ความหนาวความเก่านี่แหละควมร้อนควาเก่าความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์อันเก่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้งอกขึ้นมาเหมือนอย่างอื่นเหมือนพืชเดี๋ยวนี้นนนวัดป่าสุกโตก็มีวัชพืชแบบใหม่เกิดขึ้นมาปราบยากเหมือนกัน วันจะพืชอะไรต้นต้นอะไรที่มันเป็นหนามไม่ใช่ฮะต้นลืมวบยลาบใยลาบใยลาว่าจะพืชแบบใหม่เวลามันปากเราเหมือนเหมือนเหล็กในของพึ่งมันปากเรามันดูดเข้าไปดูดเข้าไป ดึงไม่ออกเอาเมือไปจิดไม่ได้เลยมันเหมือนเหมือนลายเหล็กในของพึ่งน ะ, ะ, ะเ่าแต่เราไปติดปะมันขาดมาเลยน้ำมันขาดมาเลยมันไม่ขูดนะติดแปะมันกระดูดเข้ามาเลยมันเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ก่อนก็มียาบค อ, อ, อมนิด ยาความนี้ก็ถือว่าโอ้ยอรายที่สุดแอนุญาของพระนิตก็เผลเผาลงมันดินเก่าความนิตเขาชอบใหม่ๆเพราะมันเก่าเขาก็ไม่ชอบความเก่าในบรรดาญานี่ยพวกใบยาลาบใบยาลาบมันมีหลายอย่างใบยาใบยาลาบเล็กๆอยู่ตามผิวดินอันนี้ก็ เ็ไม่เป็นไรบบยราบยักอย่างเขียงใหม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็กยากมืองกันนะแต่บบยราบแบบเนี้ยไปเมืองเราไปเห็นอยู่เมืองเราโอยมันไปจากเมืองเราหือไปถึงวัดสุกโตหรือว่าสุกโตไปอยู่เมืองเราก็ไม่รู้นันมันเกิดขึ้นมาอัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่มีโงกขึ้นมาแบบใหม่อันเก่าความร้อนความหนาวควา ม, มโกรธ ค, ความโลภความร้องกิเลสตัณหาลาคะความลักความชังมันลอยนวลอยู่ในชีวิตจิตใจของเรานะเราก็ผป่วยป่าละเลยกันมาบางคนก็จนตายไปกับมันลองดูเสียพวกเรา พวกเราเนี่เป็นนักบวช่วัดวาอารามต้องศึกษาเรื่องนี้นะรีบรีบสักหน่อยอย่าประมาทอย่าเฉื่อยชาอย่าเสื่อซ่า <c oughs> โกรธไปไอย่าเสื่อซ่าอย่าประมาทต่อยไปแล้วเลยให้ไปเป็นลูกเรื่องเป็นลายุ่งกันอ ทะเลาะบ่แย่งกันขัดเทืองกันมันน่าเสียดายสดเสียดายเพื่อนบางคนทะเลาะกันกับเพื่อนหนีอยู่ด้วยกันไม่ได้ไไดเสียดายถ้า ม, ม, มีพัญญาเนี่เสียดายเนา ะ, ะบางคนก็เบื่อผู้ชายมาบางคนก็เบื่อผู้หญิงมาเ <laughs> บื่อ อะไรไปเบื่อกันทำไมเป็นเพื่อนกันพากันช่วยกันให้ออกเกลทุกคนส่งเป็นแรงแรงร่วมกันพวกเราสุกตัวก็มีแรงร่วมเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปไหนก็ได้แล้วอาจารย์วรเทพอาจารย์สงศิณอาจารตุ่มาจรหวนพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่นี่ไปไปไหนผมก็คุยนะคุยแล้วโอ้ยสบายเล้วเด๋วนี่คุยอวดเพื่อน มีคนมีเพื่อนผมมีเพื่อนดีกันละยะน้ำมิดดีอ่านก็สอนพระเข้าเก็บปลาลงปฏิบัติธรรมกันผมก็ชีวิตของผมก็ขอให้เป็นเป็นงานได้ที่เหล็กส่วนหนึ่งรถตอนไหม้ดูแลอะไรกันไปก็บางทีตรนพระเช่าทวัตเจนก็พูดบ้างถือว่า ช่วยเสริมหลักเก่งๆก็มีอยู่แล้วหลายพลังะช่วยเสริมจะมังคีอีกเหมือนกันจะมังคีกันหลายหลายหลายหลหลายหลายพระหูพระหูปัญญาพระหูปัญญาพวเราอยู่ในเป็นพระหูปัญญาอ่าหลวงพ่อ ทานก็ได้อะไรนะฮะแต่ก่อนสวบเราเหม็นเซลาหน้าเหม็นฮะหลวงพ่อโออะไรมาใส่หายเลยพระหุปัญญาจะไม่ได้อะไรอะไรฮะด m อมอเอมโอ้ไม่เคยได้ยินอีเอ็มอีเอมอะไรอีเอนี่มันมีสองอย่าง แบบหนึ่งแบบเกิดเชื้อโรคแบบหนึ่งแบบไม่เกิดเชื้อโรคเกิดประโยชน์นั้นจุลิน4ียจุลิน4หรือหรืออะไรหรืออะไรวัคซีนหรืออะไรโรคมันแจาโรคฮะโรคมันแจาโรคชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกัน เราเลือกตะเราเลือกได้เลือกได้อันที่มันทุกข์นั่นแหละมันเป็นปัญญาเหรานั้นอีเอบหลงคอตัวทุกข์เลยเป็นปัญญาตัวหลงเลยเป็นปัญญาตัวโกรธนั่นแหละเป็นปัญญาหาได้ตรงนี้นะปัญญาไม่ใช่ไปหาเอาปัญตื่นเห็นอย่างนี้เห็นความหลงเห็นไหมความหลง เห็นไหมความทุกข์เห็นไหมความโกรธเห็นไหมความเลอะความชังเห็นไหมความเครียดเห็นไหมอะไรต่างๆนี่ปัญญามันเกิดตรงนี้ปัญญาพุทธะนะในชีวิตของเราเนี่พูดแล้วพูดดีกว่ากายใจเนี่ยเป็นตักกะศิลาเป็นแหล่งของการศึกษาแหล่งปัญญาแหล่งปัญญาต้องเกิดขึ้นกับเราบางที นอนตื่นขึ้นมาก็ได้ปัญญาก็มีนะบางทีสมัยก่อนเนี่ยเห็นใบไม้ล่วงก็ได้ปัญญาเห็นท่นซุงไหลามาตามน้ําก็ได้ปัญญาได้ยินเสียงสโสเพณีร้องพอปวดเก็บปวดโรคลองหอมลองให้ก็ได้ปัญญาได้ปัญญาได้ความเมตตา โอ้ยเลยความเมตตา ม, มากที่สุดไปอยู่สุลินไปไประชมอยู่สุลินอยู่วัดในเมืองนอนเที่ยงคืนมันอยู่ ใ, ใกล้ๆโรงข้าสัตว์อยู่โรงข้าหมูเดี๋ยวก็เสียงหมูลองอิดเงียบไปอีกไม่นานดี๋วก็ร้องอิด นับดูเป็นหลายหลายสิบตัวโอยสุดหัอยจเกิดความเมตตาที่สัตว์ถูกฆ่าชีวิตตี้จะเกิดจะไงยังไงก็ทำไม่ได้หรอกพวกเราจะไปฆ่ากันข่ามันทำไม่ได้สุดหัอยเความเมตตาเกิดขึ้ น, น, น, นลดเหลือไม่ ใ, ใช่ ได้ยินเสียงเขาข้าวสา์โอ้กูจะได้กินแล้วได้กินลาบกินก้อยแล้วเสร็จหรื อ, อยังเอามาให้กูมีเมันกันนะ่ะบางทีพระเราก็ไม่เหมือนกันจากความอยากจากความโลภเกิดความเมตตาเกิดความเมตตาอย่างหลุนแหลมถ้าอีกคนหนึ่งเขาเกิดความโกรธ เขาเกิดความโลภเขาเกิดความหลงเรากลายเป็นความเมตตาปัญญามนกันนะปัญญามาได้รูปของเมตตาปัญญามารูปของเสียสละเห็นโลกเห็นใจก็อยากกระโจนเข้าไปช่วยบางทีก็ช่วยไม่ได้ถ้าสิ่งไหนช่วยได้มันช่วยจริงจริงความเมตตาว่าในเห็นต้น ต้นมะพร้ที่ปลูกไว้แ่นเหี่ยวก็ตื่นรือล่นน่ะใครห้ามไม่ได้แล้วจะไปห้ามให้ช่วยต้นไม้เนี่ยใครห้ามไม่ไดจะไปอย่มาห้ามม่ให้ช่วยผู้ช่วยคนเช่นเราอยู่เนี่ยเห็นคนมีทุกข์โอ้ยก็ตื่นรือล่นอยากช่วยแต่บางคนขก็ไมาให้เราช่วยนะแล้วก็หาเองหาสุก เรามันทุกข์กับจิตเล่ามอยาเรามันทุกขกัเข้าหนังหลงหนังลง ล, ง ล, งลงราคนเลามันทุกขกัไปฆ่าไปตีกันเอาไว้ก็ไม่อยู่บางอย่างก็เหลือวิสัยของพวกเราที่ทําไม่ได้ที่ทําได้แน่นอนคือทํากับตัวเราแน่นอนที่สุดนะขอให้ใช่สิทธิของเรามันหลงมีสิทธิจะไม่หลง มันโกรธมีสิทธิที่จะไม่โกรธมันทุกข์มีสิทธิที่จะไม่ทุกข์แน่นอนที่สุดแล้ว